สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการธรรมะสบายๆนะคะกับพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตจากวัดบวรนิเวศมิหารค่ะโดยมีดิฉันอา ร, รยาสุวิเศษศักดิ์เป็นผู้ร่วมดําเนินรายการน้มัศการพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรก่อนที่จะมีคําถามก่อนที่จะดําเนินรายการต่อไปก็ขายของสักนิดนึงนะคะพระอาจารย์โอ้ยอดตกนะช่วงนี้ยอดตกไม่มีคําถามมีคําถามแต่ว่ า, าบางคําถามก็ไม่ได้เกี่ยวเนื่องก็เลยไม่ได้นํามาตอบ ในในหน้าเพจเฟ o บุ๊กนะคนที่เป็นแอดมินเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ายอดยอดคนที่ผ่านผู้ผ่านตาของโพสต์แต่ละโพสต์ที่ที่โพสต์ลงไปเนี่ยว่ามีจำนวนยอดคนที่เห็นโพสต์เราเท่าไหร่แต่ไม่เกี่ยวกับการที่ว่าเขาไปกดฟังนะแค่ว่าเขาเห็นโพสต์เราไหมไอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง จากการขายของคราที่แล้วเนี่ยก็ทำให้ยอดมันกระเตื้องขึ้นมานิดนึง <c oughs> เป็นที่น่ายินดี <c oughs> พอสมควรทีนี้ก็เลยอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยคนที่ได้เห็นโพสแล้วก็ได้ทดลองฟังแล้วเนี่ยถ้ารู้สึกว่ามันพอมีประโยชน์บ้างเนี่ยก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆเนี่ยได้เห็นโพสต์ตัวนี้ด้วยไดไ้ไปรับฟัง หรือได้ไป อ, อ่านเนื้อหาต่างๆที่ได้โพสต์ไว้ในหน้าเพจของ easy ธรรมะก็คื อ, อสะกดว่า e a s y d h a m m a สำคัญมากคือ easy กับธรรมะเนี่ยห้ามเว้นวรกนะต้องติดกันเพราะว่าอย่างคราวที่แล้วเนี่ยก็ได้บอกอาบางคนไปเขาก็เซิร์ชไม่เจอเพราะว่าเขา <It S 1> พิมพ <is S 1> <ข>์คาว่า easy แล้วก็เว้นวรกแล้วก็ธรรมะ จึงทําให้ไปเจออันอื่นตัวนี้มันจะไม่ขึ้นเพราะนั้นก็อย่าลืมว่าต้องติดกันนะตัวอีเป็นตัวใหญ่ก็จะได้เจอตัวเนี้ยเป็นตัวแรกเลยโลโก้ก็จะเป็นเหมือนรูปพระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นไม้เียนะเป็นภาพว่าภาพว่านะสีน้ำซึ่งอพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีหลายๆอย่างอย่างเป็นรายการธรรมะสบายๆเนี่ยก็เป็นหลักแล้วก็จะมี แวะเวียนเอาหนังนงสือดีๆของอรูาาจารย์หรือคราวาตอย่างเช่นพนิกปิ่นเป็นต้นเนี่ยที่ว่าศึกไปแล้วก็มีธรรมะดีๆที่ได้นำมาเผยแผ่ให้กับสังคมแล้วก็เห็นว่ามีประโยชน์มากเป็นการอธิบายธรรมะที่ค่อนข้างจะเข้าใจง่ายเหมาะกับคราวาตมากเลยเพราะนั้นก็เลยเอามาอ่านแล้วก็ให ทุกท่านเนี่ยได้ลองฟังลองติดตามกันฟังดูค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ไม่เคยฟังนะคะต้องบอกว่าเรื่องราวของพันเอกปิ่นที่พระอาจารย์นำมาอ่านให้ฟังเนี่ยพอฟังแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าแม้คือนะเป็นการอธิบายแบบแบบคนธรรมดาอธิบายเรื่องธรรมะให้ฟัง ม, มันทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ได้ใช้ภาษานะสลับซับซ้อนอะไรเลยก็เป็นภาษา ใครฟังก็เข้าใจได้เป็นภาษาแบบชาวบ้านชาวบ้านนี่แหละไม่ได้มีศั์แบบเหมือนเราไปนั่งฟังกันเทศยากๆากนไม่มีเป็นการอธิบายผูกยงธรรมะแล้วก็ยกตัวอย่างที่ค่อนข้างเห็นภาพชัดเจนใครๆก็เจออย่างนี้ใครๆก็เห็นแบบนี้แต่ยังไม่ได้คิดว่าอ๋อในทางธรรมะเนี่ยมันก็เป็นธรรมะนะแล้วก็มีวิธีคิดมีวิธีจัดการบริหารยังไงแบบพุทธวิธีซึ่ง พระเอกปิดเนี่ยก็มาร้อยเรียงเรียบเรียงแล้วก็นําเสนอได้ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์กับคนที่ได้อ่านได้ฟังซึ่งถ้าถ้าใครได้ลองฟังแล้วเนี่ยก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นกว่าที่กําลังฟังการขายของอยู่ตอนนี้เจ้าค่ะอย่างตอนที่แล้วเนี่ยเราก็พูดไปถึงเรื่องการที่เราอธิบายลำดับของพระอริยเจ้าเจ้าค่ะ คือพูดไปถึงตั้งแต่พระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์แต่ก็อธิบายตัวของพระโสดาบันเนี่ยไปก็หมดเวลาไปแล้วค่ะก็บอกท่านผู้ฟังนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็โพสต์เข้ามาได้ว่าในในคราวต่ อ, ต, อต่อไปวันนี้เราจะไม่ไม่พูดเรื่องเป็นซีรีส์ต่อไปก็คือพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหรันต์ เป็นการปฏิบัติธรรมสำหรับทั้งคารวาสแลวก็ทั้งพระที่สามารถปฏิบัติเพื่อให้ได้คุณธรรมที่สูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็วัตถุประสงค์หลักๆก็คือทำให้ทุกในใจเราน้อยลงนั่นเองคือใจจริงเนี่ยก็อยากจะพูดนะว่ามันเป็นอะไรบ้างอะไรมากแต่พูดไปพูดมาเนี่ยเดี๋ยวคนก็ติดชื่อกันนะเอฉันเป็นเป็นอะไรพร ะ, พระอริยเจ้าหรือ ย, ยัง เอ้ฉันปฏิบัติทําไปเนี่ยฉันเป็นปัศดาบันฑ์ไหมเนี่ยวิายการเกิดของฉันเนี่ยยังยังมีต่อนเนื่องหรือว่าจํากัดอยู่ที่เจ็ดชาติอย่างที่เราได้ไ ด, ได้รับข้อมูลไปก็คือว่าวาิเรา อ, อยู่ในข่ายปโศดาบัณฑนะการเกิดของเรามีเจดชาตินะยี่เป็ตนต้นซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นผลนะเป็นผลผลของการที่เราเอากิเลสออกจากใจได้เนี่ยอย่างของพระโศดาบัณก็ ทบทวนให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้จํากันได้อีกครั้งหนึ่งก็คือว่าเอากิเลสเนี่ยที่เรียกว่าสัง่งย่อสิบเนี่ยเอาออกไปได้สามตัวคือสกายทิฏฐิคือความเห็นว่านี่เป็นเรานี่เป็นเขานี่เป็นสัตว์นี่เป็นบุคคลนี่เป็นตัวตนเป็นต้นแล้วก็วิจิกิจฉาความเคลือบแคล้งสงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์แล้วก็ตัวสุดท้ายคือสีละพะตัตปามาคือ การที่เห็นศีลวัดหรือข้อประพฤติปฏิบัติเนี่ยว่ามันดีแต่เราก็ทำเยาะเหยาะแยกแไม่ไม่เขาเรียกว่ารูปคลำนะทำแบบรูปรูปคลำไม่ได้ปฏิบัติแบบจริงจังเพราะเร า, าพูดง่ายคือยังไม่เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติในข้อข้อทก็ดีในข้อภาวนไหนก็ดีเพราะนั้นถ้าคนที่ สามตัวตรงนี้นี่ไม่มีอยู่ในใจได้ก็จะทำให้ท่านก็ตั้งเชื่อไว้ให้ว่าเป็นพระสดาบันคือผู้ที่จิตเนี่ยถึงกระแสแล้วกระแสของพระนิพพานมีคุณสมบัติคือวงเล็บนะคือผลนะว่าเกิดเนี่ยการเกิดการตายเวน้นเกิดเวน้เวนตายเนี่ยก็จะจำกัดลงอยู่ที่อย่างมากคือเจตฌ แต่ทีนี้เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อมุ่งหวังการไม่เกิดอันนี้สำคัญนะการที่เราจะปฏิบัติรำเนี่ยเราต้องตั้งเป้าหมายให้มันถูกต้องก่อนถ้าเราตั้งเป้าหมายไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็เดินผิดทางนะการตั้งเป้าหมายเนี่ยต้องตั้งในสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยบัญญัติไว้สิ่งที่พระเจ้าเนี่ยบอกว่ามันคือเป้าหมายของเราพระเจ้าไม่ได้บอกว่าเป้าหมายเนี่ยคือการที่ ไม่ต้องกลับมาเกิดนะพระเจ้าไม่ได้บอกว่าเป้าหมายคือเร า, ามีการเกิดเท่านี้เท่านี้เท่านี้แล้วเราก็ยินดีพอใจในการที่เรามีชาติพบที่เราจะจำกัดลงหรือไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องมีอีกไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าเนี่ยกำหนดเป้าหมายไว้แค่ว่าเป็นผู้กระทาที่สุดของทุกได้หมายความว่าเป็นผู้ที่ไม่มีทุกันเนี่ย ข้ามเขตแดนของความทุกไปได้คือเป็นผู้ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์ใจไม่ว่าจะในกรณีใดๆคือยืนก็ดีเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีในเรียบทเหล่านี้เนี่ยไม่มีทุกได้ไม่มีทุกข์ใจได้แต่ทุกกายก็ส่วนทุกกายไปนะหิวข้าวได้ปวดหัวตัวร้อนได้โดนทุบ ก, ก็เจ็บได้แต่ไม่มีทุกข์ใจเพราะฉะนั้น เราก็ต้องตั้งเป้าหมายถูกคือบางคนตั้งเป้าหมายโอ้ฉันไม่อยากมาเกิดแล้วทําไมล่ะเจ้าคะ่ะทำไมถึงถ้าเกิดว่าเราตั้งเป้าหมายที่มันผิดเพี้ยนคือการเป็นสําเร็จคุณธรรมชั้นสูงการเป็นพระอรหรนันต์นี่ก็คือการไม่เกิดอยู่ดีเช้าคะ่ะและเป็นผลแต่การที่เราบอกว่าเราปฏิบัติธรรมเพื่อไม่เกิดแล้วสุดท้ายคือเราต้องตรอร อ, ร อ, รอจนถึงตอนตายก่อนนะตายแล้วจึงไม่เกิดถูกไหม แต่ในระหว่างที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราเจอทุกสาหาัดสากันแล้วเราก็ทุกทุกอยู่อย่างนั้นทุกทุกอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันก็เรียกว่ายังไม่ประเสริฐยังไม่ดีธรรมะจึงยังไม่จะเป็นของดีที่มันอา้าวก่อนตา ย, นยมันยังมีทุกได้นะไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้ตัวเราเนี่ยไม่มีทุกข์ต่างหากพอตัวเราไม่มีทุกได้โดยการที่เรากําจัดกิเลสออกไปได้เนี่ยผลที่ได้คือไม่ว่าเราจะอยู่ยังไงยังไงเราก็สบาย แม้แต่ตอนตายไปแล้วผลก็คือเราไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเพราะว่าเชื้อของความเกิดเนี่ยเราได้กำจัดออกไปแล้วคืออันนี้คือผลใช่ผลคือกา ร, ราไม่เกิดกำจัดความทุกข์แต่ความทุกข์ของความทุกข์ตัวเนี้ยคือเชื้อของความเกิดด้วยเพราะฉะนั้นผลของการไม่เกิดก็คือการที่เราเอาเชื้อของความทุกข์เนี่ยมันออกไปเพราะฉะนั้นเ ร, เราต้องตั้งเป้าไว้ว่าเราเนี่ย จะต้องเป็นผู้ที่ยืนเดินนั่งนอนแบบไม่มีความทุกข์ปฏิบัติแค่นี้เองเพราะฉะนั้นเราชีวิตเราจึงจะดําเนินไปด้วยปริยาบดต่างๆเนี่ยโดยการที่เรามีวิธีกําจัดทุกข์ของเราไปได้แต่ถ้าเราตั้งเป้าไว้ที่ว่าเราจะไม่เกิดเป็นต้นนะมันก็จะมีเขาเรียกว่าช่องโบ่ให้ทุกข์เนี่ยมันโจมตีเราได้เป็นต้นว่าเวลาเรามีทุกข์อะไรที่เรารู้สึกว่ามันเกินศักยภาพของเรา ในการที่เราจะแก้ไขได้เนี่ยเราก็จะท้อแท้ไม่น่าเกิดมาเลยนะใช่ใช่ค่ะได้ยินแบบนี้บ่อยๆเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าไอ้ไม่น่าเกิดมาเลยนะแต่แต่หลายๆคนก็คงจะไม่ทราบว่าไอ้ผลของการปฏิบัติตนเป็นคนดีแล้วก็ได้คุณธรรมเนี่ยก็คือการผลก็คือการไม่เกิดเนี่ยหลายๆคนคงจะไม่ทราบแต่ก็อุทานออกมาแบบนั้น ถึงแม้คนปฏิบัติเองนะก็มีส่วนมากๆเลยที่ตั้งเป้าหมายว่าเราจะไม่อยากมันเกิดอีกซึ่งไปตั้งผลไปตั้งเป้าไว้ที่ผลนะแล้วอันหนึ่งที่มันปรากฏขึ้นก็คือว่าเวลาเราเจอความทุกข์แล้วเร า, เ อ, าอาจจะเรียกว่ายัางสู้มันไม่ไหวนะสิ่งหนึ่งความท้อแท้มันจะเกิดขึ้นนะสิ่งหนึ่งความท้อแท้มันเกิดขึ้นแล้วเราก็โบยความผิดทั้งหมด ให้ไปอยู่กับความเกิดซะอื <S <S อย่างเช่นโอ้ยเขามันด่าเราหรือว่าเราไปอกหักอะไรมาอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเราก็รู้สึกว่ารู้นี้นะถ้าฉันไม่เกิดมาก็ดีหรอกถ้าฉันไม่เกิดมาฉันก็จไม่ต้องมาเจอเรื่องราวที่มันน่าหดหูเป็นเรื่องราวที่มันเป็นทุกข์อยู่ในแบบนี้ทุกวันนี้เนี่ยฉันทุกข์ทุกทุกทุกท ก, ก็เพราะว่าฉันมีความเกิดสุดท้ายเราแก้ทุกข์ไม่ได้เราก็ไปบุยหาความผิดคือผู้รับผิด เขาเรียกว่าเป็นแพ้นะก็คือความเกิดของเราแต่เราคิดอย่างนี้มันไม่ทําให้เราสามารถกําจัดความทุกข์ไปได้มันเป็นแค่เรียกว่าเป็นความคิดในด้านที่ทําให้เราท้อแท้เป็นความคิดที่ทาให้เราหมดกาลังใจเป็นความคิดที่ทําให้เราเนี่ยไม่ต่อสู้ไม่สู้กับอุปสรรคที่มันเข้ามาในชีวิตของเราทําให้เราย่าอยู่กับที่หรือไม่ก็ถอยหลังไป กำลังใจเราไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเราคิดอย่างนี้น ะ, ะเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งเป้าไว้แค่ว่าเราจะเป็นผู้ที่ไม่มีทุกข์เราจะกำจัดทุกข์ได้หมายความว่าศักยภาพของใจเนี่ยมันจะไม่ว่าทุกข์มันจะมีตอนไหนเราก็กำจัดมันพูดง่ายเป็นใจที่มันเข้มแข็งนะเข้มแข็งขึ้นไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรเนี่ยความท้อถอยของใจเนี่ยก็จะไม่มี หรือมีน้อยกว่าคนที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าฉันจะไม่เกิดแหละเพราะว่ามันท้อแท้ใจท้อแท้เนี่ยตัวเองก็ไม่อยากทำแล้วไม่อยากจะอะไรแล้วแล้วก็ไปโยนทั้งหมดโยนบาตทั้งหมดโยนความผิดทั้งหมดไปให้ก<ห>ับ<อ>ความเกิดซา<ะ>แล้วตัวเองก็นั่งนั่งนอนนอ น, น, อนรอคอยวันที่มันจะทุกข์มันจะหายไปซึ่งมันไม่ถูกต้องหรอกทุกข์มันหายไปได้เพราะว่าเราทาเหตุคือละเหตุ ข, ของความทุกข์ ไม่ต่อเหตุของความทุกข์ทุกตัวนั้นมันจึงดับไปตรงนี้อันนี้ต่างหากที่คนที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะทําที่สุดถึงทุกข์ก็ของทุกข์ให้ได้เนี่ยคนเนี้ยเขาจะง่ายคือม่วนอยู่กับเหตุของทุกข์นี่แหละที่เราจะกําจัดทุกข์ยังไงไม่ท้อแท้ไม่อ่อนแอไม่หลบไม่เลี่ยงสู้มันไปสู้มันไปสู้มันไปเพราะฉะนั้นถ้าสองกรณีอย่างนี้เนี่ยคนที่ตั้งเป้าหมายไว้ที่ ทำที่สุดของทุกหรือความพ้นทุกข์ให้มันบังเกิดขึ้นได้เนี่ยแน่นอนศักยภาพในการที่เขาจะก้าวไปข้างหน้าได้เนี่ยมันรวดเร็วต่างกันไม่มีช่องโหว่ให้ทุกมันมาโจมตีเราในช่องตรงนี้ได้นะตอนที่เราอ่อนแอแล้วก็โดนถาโถมเลยให้เรายิ่งท้อแท้อ่อนแอลงไปใหญ่เพราะฉะนั้นเป้าหมายในการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะก็ต้องทําให้มันวางไว้ถูกต้องวางไว้ถูกที่ มันจริงไปได้อย่างไม่สะดุดด้วยนะเพราะฉะนั้นการที่เร า, าปฏิบัติธรรมก็อย่างที่เราพูดมาตั้งแต่ต้นรายการคือว่าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เพื่อตั้งเป้าหมายไม่แค่ว่าเราเป็นผู้ที่จะแก้ทุกข์ของเรานี่แหละพอแล้วไม่ต้องไปคิดหรอกว่าฉันจะเป็นพระอริยบุคคลหรือยังถ้าใครมาเรียกว่าเชิดชูเราเป็นโอ่ง เธอเนี่ยเป็นพระยาผู้คนแล้วนะเธอนี่เป็นพระอรหันแล้วนะหรือว่าเธอเป็นพสุธภันธ์แล้วนะอา้าเอาให้มันเห็นชัดแจ้งก็คือว่าเอาเป็นพระอรหันเลยให้เขามาเยิอนยอเรายังไงว่าเราเป็นพระอรหันนะแต่เรายังมีทุกข์อยู่ในใจเนี่ยมันก็เป็นตัวฟ้องอยู่แล้วว่าใครจะมายกย่องเยินยอเราเป็นพระอรหันเราไม่ได้เป็นพระอรหันเพราะว่าใครมายกย่องเราใครมาเยินยอเราแต่เราเป็นพระอรหันเพราะ เราไม่มีทุกข์ในใจตั้งหาอยู่ตรงนี้ย่วัดได้จากวัดได้จากปริมาณความทุกข์ในใจใช่ไหมเ้าคะใช่แต่ว่าพูดถ้าพูดถึงในในเรื่องของโลกโลกอย่างเงี้ยการที่เอ่อยมรู้สึกว่าถึงแม้จะเป็นผู้ที่ไม่ปฏิบัติธรรมก็ตามหรือว่าเอ่อด้วยด้วยบุคลิกของแต่ละคนสมมติเราเป็นคนที่ใจเย็นเราเป็นคนยอมรับกับกับ สิ่งรอบๆตัวที่เกิดขึ้นได้ยอมรับกับคนรอบๆตัวทีอ่อาจจะทำแล้วไม่ถูกใจเราหรืออะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นคนที่ทุกน้อยเหมือนกันนะเจ้าคะ่ะน่าจะเป็ น, ปนต้องบอกว่าเริ่มต้นไหมเจ้าคะ่ะ เ, เหมือนกับไม่ขีดนะนะไม่ขีดเนะี่ยมันจุดฟืบแล้วมันก็ไหมหมดการานี่นะแต่ทีน่นี้เชื้อของไฟของมันเนี่ยมันก็อยู่ดำรงได้เฉพาะ ตอนที่มันเป็นการไม่ขีดเท่นั้นแหละแต่ถ้าการไม่ขีดเรามันยาวขึ้นนะไฟมันก็ไหม้หนานขึ้นเพราะนั้นอย่างเคสที่ยมแอว่าเมื่อกี้นะมันก็เหมือนกับที่ว่าเขายอมรับได้อะไรได้เนี่ยไม่ใช่ว่าไฟมันไม่ติดนะไฟติดแต่เชื้อของไฟเนี่ยมันนิดหน่อยเพราะนั้นถ้าจินตนาการเนี่ยก็คือเอาไฟกองใหญ่มาเปรียบเทียบกับไม่ขีด เราก็จึงมองเห็นว่าโอ้ยไม่ขีดนี่มันแทบจะไม่มีเลยเฮ้ยเขาคงไม่มีละมัง้งแต่ความเป็นจริงคือมันก็มีอยู่เพราะฉะนั้นใครจะเป็นคนวัดได้ตัวเขาทั้งหาจะเป็นคนวัดได้ว่าตอนนี้เขามีทุกไหมตอนนี้เขายังมีทุกหลงเหลืออยู่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ก็จะมีอีกเคสหนึ่งที่ว่าเขาไม่เห็นว่ามันเป็นความทุกนะใช่จ้ะอันสองอันนี้ก็จะไม่เหมือนกันแต่ลักษณะคล้ายกันที่ว่าดูเขาไม่เดือดไม่ร้อนอะไรแต่มันจะต่างกันตรงไห น, น ต่างกันตรงที่ว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยเขาทําในอกุศลไหมคนที่ปฏิบัติธรรมคือเขาเรียกอกุศลอยู่แล้วแต่เขาก็พยายามกําจัดพัสสะสิ่งที่มากระทบใจของเขาเนี่ยพยายามลดทอนไม่ให้มันเกิดความทุกข์ในใจอันนี้คือในฝา่ายปฏิบัติธรรมนะเพราะฉะนั้นทุกข์มันก็จะมีอยู่ในลําดับขั้นของเขาถ้าบางส่วนที่มันเป็นตัวละเอียดเขาอาจจะยังไม่เห็นอันนั้นก็ลัไว้ก่อนก็คือเปรียบเทียบว่าอาจจะเหมือนไม่มี นะแต่ในกรณีหนึ่งเนี่ยก็คือคนที่ทําเรื่องไม่ดีแต่เขาก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองทุกข์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนเนี้ยมันแน่นอนก็คือเขาก็ประพฤติในสิ่งที่เป็นอกุศลอยู่เรื่อยๆแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าอ่าไม่ผิดแล้วก็ยังรู้สึกว่าไม่ทุกข์แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เขาไม่รู้สึกว่ามันเป็นทุกข์นะเขารู้สึกเป็นทุกข์อยู่หรอกแต่บางทีเขาไม่ได้เอามาเป็นประินในใจ ไม่ได้เอามาเป็นประเด็นสําคัญแล้วก็ไม่ได้เรียกว่าระดับความทุกข์ตรงเนี้มันยังไม่แตะขีดที่เขาจะเดือดร้อนนะเจ้าค่ะเหมือนคนที่ว่าออยังไงอ่ะเขาเรียกว่าอย่างพระเนี่ยเวลาเดินพิษบาเนี่ยถ้าอยู่พระต่างจังหวัดเนี่ยนะถนนมันก็จะขรุขระนะเท้ามันก็จะหนาเพราะฉะนั้นเหยียบหินเหยียบกรวดอะไรเงี้ยถ้าเปรียบเทียบกับพระในเมืองอนะพระในเมืองไปเดินอย่างนั้นอโอ้ยเจ็บมาก เท้ารามันไม่ได้ไปเดินอย่างนั้นมันก็จะบางๆนะเพราะฉะนั้นมันแบบเดียวกันอีกคนนึงรู้สึกได้เร็วอีกคนหนึ่งรู้สึกได้ช้าเพราะฉะนั้นมันเคเรียกว่าแตะขีดความเจ็บมันอยู่ตรงไหนนะของของใครของใครก็ไม่เท่ากันแต่สิ่งที่มันวัดได้เนี่ยของคนที่ทําบาปแล้วไม่รู้สึกว่าตัวเองได้รับความทุกข์เนี่ยคือตอนตายว่าตายไปแล้วเนี่ยไปทุกขติตอนนั้นมันเห็นชัดเจนเลยว่าตัวเองเนี่ยนะได้อัตภาพอันนี้ อัตภาพที่ตัวเองไปอยู่ในทุกติเนี่ยโห้ยเพราะเราไม่ได้ทําบุญเอาไว้เพราะเราสั่งสมแต่บาปเอาไว้อันนี้มันคือจะชัดเจนแต่ทีนี้ผู้เจ้ า, าก็ไม่<ห><ร>ได้ถึงเวลานั้นเลยใช่ผู้เจ้าไม่สั่งสอนให้เราเนี่ยประมาท ถ, ถึงขนาดนั้นหรอกผู้เจ้าถึงต้องบอกว่าสิ่งที่อะไรไม่ดีอย่าไปทํานะเพราะว่าไอคนประเภทที่แบบว่าไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อยู่อย่างเงี้ยมันมีเยอะเพราะฉะนั้นผู้เจ้าจึงบอกว่าพวกเธอรักษาศีลเป็นเบือเ้องต้นนะ มันจะได้สบายมันจะได้มีอานิสงส์ทําให้เราไปสุคติได้ถ้าคนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังแล้วมันก็ไม่รู้แล้วมันก็ไม่เห็นผลหรอกว่าเราร้อนเป็นยังไงเย็นสบายเป็นยังไงเหมือนคนที่มันสกปรกเนี่ยมันจะสกปรกเพิ่มอีกนิดหนึ่งอ่ะมันไม่รู้หรอกแล้วมันสั่งสมทีนิดๆเมันก็เป็นมากพอนี้ยิ่งมากแล้วเจอบาปมากๆสกปรกมากๆมันก็ยิ่งไปไม่รู้ครับ เข้ากันไปใหญ่เพราะฉะนั้นท่านก็จึงให้ให้เราในหมั่นชําระเบื้องต้นเนี่ยก็ให้ขอให้ทุกคนมีศีลทุกคนมีศีลเนี่ยก็จะได้อ๋อยเวลาใจเราเนี่ยนะร่มเย็นจากการที่เรามีศีลสมบูรณ์ไม่มีเรื่องกระทบภายนอกเนี่ยพอเรื่องกระทบภายนอกมันน้อยลงใจเราก็ร่มเย็นมากขึ้นก็เหมือนตัวเราเนี่ยที่เราได้ไปชําระร้างความโสโปรออกบ้างเนี่ยมันจึงรู้ว่า เวลาสกปกเพิ่มเนี่ยเออมันเป็นอย่างนี้แหละแล้วเวลาเรามีสีที่มันสมบูรณ์เนี่ยเวลาที่ใจมันเร้าร้อนจากเรื่องภายนอกเนี่ยมันจึงรู้ว่าอ๋อเวลาที่เราไปทําไม่ดีนะมันมีเรื่องมากระทบเราลนะแล้วเราก็มีความร้าร้อนในใจเกิดขึ้นนะก่อนจะทําเราก็เร่าร้อนเหมือนกันอ๋อนี่แหละมันเป็นเขาเรียกว่าถ้าเรามาปฏิบัติธรรมตัวเราเนี่ยมันจะเห็นกระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นแต่ถ้าใครไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ย แน่นอนเขามองแต่ข้างนอกมองแต่ข้างนอกเขาไม่ได้มองเห็นข้างในเพราะเขาไม่มองเห็นข้างในมันก็ไปกันใหญ่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสุขความทุกข์มันไม่ได้อยู่ข้างนอกความสุขความทุกข์มันคื อ, อสิ่งที<จ>่อยู่ในใจชใช่ก็อย่าประมาทด้วยการมีศีลห้าเป็นเบื้องต้นนะเจ้าค่ะก็ยมก็มีคําถามในเรื่องของการรู้ทันจิตรู้ทันใจตัวเองอเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นคนชอบทําบุญนะทํามาตั้งแต่ คือด้วยความเคยชินด้วยมั้งเจ้าคะเพราะว่าตั้งแต่เล็กๆเนี่ยแม่ก็จะพาเข้าวัดสนามเด็กเล่นของเราก็คือสนามที่วัดนั่นแหละก็ไปเล่นกับเพื่อนเพื่อนลูกของเพื่อนแม่ไปเล่นกับพี่พี่ชายเราก็ตามนะเจ้าค่ะก็เลยเป็นความเคยชินที่เราเหมือนเหมือนถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กๆก็จะจะชินแล้วก็ชอบเป็นคนชอบทําบุญอืทําแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองทําอะไรเยอะขึ้นเรื่อยๆอื เพิ่มความศรัทธาในตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทำบุญมากขึ้นเรื่อยๆมีมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าคือเหมือนกับเหมือนกับเราเห็นว่าสิ่งเนี้ยดีแต่เราก็อยากจะบอกคนอื่น อ, อยากจะบอกต่อคนอื่นว่าบอกน้องบอกเพื่อนบอกอพี่ที่เราสนิทสน ม, มแล้วก็รักใคร่กันดีก็อยากจะบอกว่าอันเนี้ยดีนะ ชวนไปทำบุญที่นั่นชวนไปทำบุญที่นี่อืแต่แต่ก็มีความรู้สึกว่าหลายๆครั้งก็ทําให้เราเนี่ยหงุดหงิดบางทีเ ข, เขาไม่เห็นในสิ่งที่เราเห็นก็เลยรู้สึกหงุดหงิดจ้ะค่ะไม่ต้องโยงไปถึงเรื่องทําบุญก็ได้นะเอาง่ายๆนะบางทีเราไปกินอาหารอร่อยๆสักร้านหนึ่งเนี่ยเราก็จะนี่นี่ไปกินร้านนี้กันเถอะโอยร้านนี้ดีนะอร่อยนะนั่นเธอลองไปดูก็ได้วันนี้เรายังไม่ว่างหรอกแต่เธอลองไปดูก็ได้นะ แต่โดยมากเขาก็ไม่ไปหรอกถ้าเราไม่ไปด้วยนะเจ้าค่ะห ร, หรือเขา <c oughs> เขาอาจจะไปแล้วแล้วเขาก็ไม่ไ ม, ไม่เห็นดีด้วยกับเราบอกว่าไม่ค่อยอร่อยเพราะว่าเทสต์ของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันทีนี้ง่ายๆเนี่ย <c oughs> <c oughs> การที่เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องดีแล้วเราเอาไปบอกต่อเนี่ยก็เป็นเรื่องดีนะเจ้าค่ะเป็นเรื่องดีที่เขาเรียกว่าเป็นคนมีเมตตานะทําไปด้วยจิตที่มันมีเมตตาเห็นคุณประโยชน์แล้วเราก็อยากให้ คนอื่นเน่ได้รับประโยชน์เหมือนเราเนี่ยมันดีเป็นจิตที่ดีเป็นจิตที่เราเนี่ยจะต้องทำให้เจริญขึ้นงอกงามขึ้นเป็นจิตที่เราจะต้องทำให้เกิดได้บ่อยๆแต่ทีนี้ทาไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดในจิตของตัวเองด้วยเพราะว่าถ้าคนเหมือนกับว่าถ้าถ้าเราทำอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ฉลาดในวาระจิตของเราเนี่ย ทำไปแล้วเราก็ต้องการผลเหมือ น, นคนเราปลูกต้นไม้ปลูกข้าวก็ตามเนี่ยคนปลูกข้าวก็อยากได้เมล็ดข้าวคนปลูกต้นไม้ก็อยากได้ผลของมันเพราะฉะนั้นถ้าเราหวังผลตรงนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วผลมันยังไม่ได้หรือมันได้ไม่เท่าที่เราอยากได้เนี่ยมันก็เป็นทุกข์เกิดขึ้นเพราะนั้นจงภูมิใจจงยินดีในการที่เราได้ทำสิ่งดีแต่ถ้าเราทาดีแล้วเราหวังผลที่มันดี อันนี้เราเป็นควรไม่ควรทำนะเราจงยินดีเฉพาะในเหตุที่เราทาดีนะพอแล้วถ้าทาดีแล้วเราหวังดีเนี่ยส่วนของความหวังส่วนของความหวังที่มันประสบความสำเร็จออกมากับส่วนที่มันยังไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยไอ้ส่วนต่างตรงเนี้ยมันจะเป็นความทุกข์ที่เราจะต้องแบกรับเอาไว้มันเราบอกว่าเราทางานปีนี้ทาดีมาก แล้วเราก็หวังมจะว่าจะได้โบนัสหรือว่าหวังให้เจ้านายเราเนี่ยเลื่อนขั้นให้เลื่อนตําแหน่งให้แต่ผลปรากฏว่าอาจจะได้โบนัสแต่ตําแหน่งไม่เลื่อนแ ท, ทนที่เราจะวังอแทนที่เราจะแฮปปี้กับไอ้โบนัสที่เราได้นะกลับกลายเป็นว่าโอ้ยโบนัสเนี่ยมันเป็นเรื่องดีมันเป็นเงินเงินพิเศษเราน่าจะยินดีกับกลายเป็นไม่ยินดีเพราะว่าเรายังไม่ได้รับการเลื่อนตําแหน่งนะเพราะฉะนั้น มันเป็นผู้ที่ไม่ฉลาดในวรรจิตตัวเองอะนะเพราะว่าเห็นในสิ่งที่มันมันเป็นของของที่มันเกินเกินเกินในส่วนที่เราจะมีอะเราได้มาแล้วแต่ได้ไม่พอไม่พอที่เราอยากจะได้ก็เลยเป็นถกไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมันได้เกินจากที่ที่ธรรมดามันก็ดีแล้วนะดีกว่าไม่ได้โบนัสนะคนที่ทำงานแล้วได้โบนัสก็ดีกว่าคนที่ไม่ได้โบนัสแล้วการที่เราทาดีเนี่ย พูดง่ายคือขอให้มองที่จิตเราเป็นหลักเนี่ยคือคนอื่นจะเป็นยังไงเขาจะยังไงก็เป็นเรื่องของเขาไปเพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้จากสิ่งต่างๆภายนอกนะเราควบคุมไม่ได้หรอกใช่เจ้าค่ะแม้แต่ตัวเองบางทีเราก็ควบคุมไม่ได้ใช่ใช่เพราะนั้นถ้าเราควบคุมไม่ได้เราก็อย่าเอาปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นสิ่งที่ผูกมัดจิตใจเราเราทำในเหตุที่มันดีก็ อันนี้เป็นสิ่งที่เราทำได้แต่เราไปกะเกณฑ์กับผลที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเราทำไม่ได้เพราะนั้นจงมุ่งหน้าแต่เหตุทำเหตุให้ดีแล้วก็ไม่ไปมุ่งหวังผลที่มันจะเกิดขึ้น น, นะเกิดขึ้นยังไงมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยอยู่แล้วเจ้าค่ะครานนี้ยมก็อยากจะบอกเป็นเป็นตัวอย่างกับท่านผู้ฟังหลายๆท่านว่าคือนับปัจจุบันเนี้ยเอาพูดถึงกรณีของของ ของตัวโยมเองอมเมื่อสักครู่ที่ถามพระอาจารย์นะเจ้าค่ะว่าโยมบอกเพื่อนเนี่ยในสิ่งที่ดีๆให้ไปทำบุญกันเขาอาจจะไม่ได้มีชีวิตอยู่กับการทำบุญเหมือนเรา อ, อาจจะมีอย่างอื่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องคิดต้องทำในเรื่องของเขามากกว่าอะไรเงี้ยก็ นัน้บเมื่อเมื่อก่อนนี้เนี่ยเคยรู้สึกว่าไม่พอใจไม่พอใจหมายถึงว่าแม้ฉันหวังดีนะแล้วก็ไม่ทำในสิ่งที่ดีอะไรเงี้ยแต่ในในช่วงต่อมาระยะหลังเองเนี่ยก็ยมจะมีความรู้สึกว่าพอเราบอกในสิ่งที่ดีไปแล้วแต่ถ้าเกิดเขาไม่รับหรือว่าเขาไม่ชอบหรือว่าไม่ตรงใจเขาก็จะเฉยเฉยก็จะรู้สึกว่านั่นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแล้วเราก็ ถามว่าทุกไม่มีทุกในใจเจ้าค่ะจริงๆเนี่ยถ้าเรามาดูมรกเนี่ยนะมรกเนี่ยคือทางข้อประพฤติปฏิบัติให้ถึงความไม่เหลือของทุกเนี่ยก็คือมรอริยมรมีองค์กก8ก็มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมารกรรมตะอะไรอย่างเงี้ยนะไปเรื่อยๆจนถึงสมาสมาธิพูดง่ายคือเราเห็นถูก แล้วเราก็ไปคิดถูกพูดถูกทำถูกเป็นต้นนะแล้วสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยบอกว่ายังไงเราถึงเป็นคนที่มีความคิดที่มันถูกต้องล่ะพระเจ้าก็บอกว่ า, าเป็นผู้ที่มีความคิดคือไม่เบียดเบียนใครเป็นผู้ที่มีความคิดคือไม่พยาบาทใครแล้วก็เป็นผู้ที่มีความคิดคือตําริที่จะออกจากกรามด้วย หมาถึงดํมรีออกจากรูปรสกลิ่นเสียงทีนี้ถ้าเรามามองให้ดูดูให้มันละเอียดและออกขึ้นเนี่ยพระเจ้าเนี่ยพูดถึงแต่ตัวคนที่ประพฤติปฏิบัติอริยมรรคไม่องแปดนะหมายความว่าเราเป็นคนที่ไม่คิดพฏิบัติใครเราเป็นคนที่ไม่คิดเบียดเบียนใครแล้วเราเองก็คิดที่จะออกจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่ไปยึดติดมัน พระเจ้าไม่ได้ไปพูดเลยนะว่าไม่เคยตรัสเลยว่าให้เธอไปเข า, าเรียกว่าไปทําอะไรคิดคิดอะไรที่มันคือพูดง่ายไม่ดีไม่ดีก็อย่าคิดแล้วก็คิดในเรื่องดีเนี่ยท่นานก็เปิดโอกาสให้อย่างเช่นเราก็จะเห็นว่าท่านก็ไม่ได้บอกว่ า, าเธอจงคิดชวนคนทําบุญเธอจงคนิดว่าชวนคนมาปฏิบัติธรรม อย่างนี้นะคืออันเนี้ยมันไม่ได้อยู่ในขายของที่ที่พุทธเจ้าแจกแจงไว้ในอรอยิยมรรคของแปดจะถามว่าควรทําไหมก็เป็นเรื่องที่ดีใช่เป็นเรื่องดีจริงๆแล้วเป็นเรื่องควรทําแต่ทําแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่พุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าจําเป็นต้องทําคือไม่คิดเบียดเบียนใครไม่คิดทําร้ายใครแล้วก็ให้ดาริออกจากการมแต่ทีนี้ไอ้ส่วนที่ว่า เราจะคิดมีเมตตาใครเราจะคิดว่าชวนใครไปทำบุญหรือว่าเราจะคิดว่า เ, เราจะช่วยเขายังไงอะไรอย่างนี้นะอันนั้นเป็นส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นส่วนเอ็กซ์ตร้าเป็นออฟชั่นเสริมที่ใครจะทำก็ให้มันทำได้ให้มันจเจริญขึ้นมาได้แต่ถ้าทำแล้วตรงนี้มันเกิดทุกข์ขึ้นมาเนี่ยก็ติดเบรกนะติดเบรกเอาไว้ก่อนหมายความว่า เราอยากจะไปชวนใครทำบุญเธอไปวัดกับฉันสิเธอไปวัดกับฉัน ส, อนสิอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ไปเราก็หยุดตรงที่ว่าเราได้ชวนเขาแล้วแต่ถ้าเขาไม่ไปมันก็เป็นส่วนของเขาคือพระเจ้าไม่ได้ให้ไปยุ่งกับใครนะให้ยุ่งกับตัวเรานี่แหละทำในส่วนของตัวเราเราคิดว่าเราจะชวนเขาทำบุญเราได้ชวนเขาแล้วหรือยังชวนแล้วจบไม่ต้องไปต่อว่าเขาจะไปไหมหรือเขาจะทำไหมพอละเพราะว่าถ้าเกิดว่า เราชวนเขาแล้วแล้วเราคิดว่าเขาจะต้องทำเหมือนเราเขาจะต้องทำในแบบที่เราบอกเร า, เราแนะนำไปเนี่ยแน่นอนมันก็วกกลับเข้าไปอยู่ตรงที่ว่าความทุกข์ที่พทธเจ้าแจกแจงไว้ละ่ะมีอะไรหนึ่งในนั้นก็คือว่าอยากได้แล้วไม่ได้ก็เป็นทุกข์หรือได้ในสิ่งที่ไม่อยากได้ก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเราอยากให้เขาทาอย่างนี้แล้วเขาไม่ทาตามเราอ้าวมันก็ตรงกับที่พรเจ้าว่ามันเป็นทุกข์ เพราะฉะนั้นสิ่งที่แล้วอะไรเป็นเหตุล่ะก็คือความอยากที่เขาให้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แบบที่เราอยากให้ให้เขาเป็นตัวนี้ต่างหากความอยากอันเนี้ยก็ตรงกับสมุทัยที่ท่านว่าคือตัณหาคือความทะยานอยากเนี่ยเป็นสมุทัยที่เราต้องละนะเพราะฉะนั้นคือจบตรงที่ว่าจบตรงที่เราอะเราทําดีเราชวนเข้าแล้วก็จบตรงนี้แต่ถ้าเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้เนี่ยแน่นอนมันควบคุมไม่ได้ มันจึงเป็นเหตุว่าถ้ามันได้อย่างที่เราอยากได้มันก็ทําให้เราเชื่ำชิดหรือบานไปแต่มันไม่ทุกครั้งหรอกเพราะทุกครั้งเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะมีครั้งหนึ่งสงครั้งสาครั้งเนี่ยที่มันจะต้องไม่เหมือนอย่างที่เราคิดตรงนี้แหละมันจะเป็นช่องที่ให้ทุกเนี่ยมันเสียดแทงเข้ามาในใจเราได้เพราะฉะนั้นทําดีขอให้ทุกคนทําดีแต่ขอให้ทุกคนทําดีในเหตุที่ทุกคนทําได้แล้วก็ไม่ต้องไปหวังผลว่า เธอจะปฏิบัติอย่างนี้เหมือนที่ฉันว่าไม่เธอจะทำอย่างนี้เหมือนที่ฉันว่าไหมไม่ต้องเลยเพราะว่าเราเนี่ยเรียกว่าสาวกนะสาวกคือมาจากคำว่ามันมาจากคำว่าสุสุท่าที่แปลว่าการฟังล่ะเพราะนั้นสาวกจึงแปลว่าผู้ฟังผู้ฟังก็คือฟังคำสอนของพูเจ้านี่แหละแล้วก็เอาคำสอนของพระเจ้าเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นคุณสมบัติของการที่เป็นสาวกเนี่ยจะต้องเป็น สุปฏิปันโนคือปฏิบัติดีอุชุ ป, ปฏิปันโนคือผู้ที่ปฏิบัติตรงแล้วก็ยายะปฏิปันโนคือปฏิบัติแล้วก็รู้ด้วยรู้แจ้งด้วยแล้วก็สามีจิปฏิปันโนนะก็คื อ, อประพฤติด้วยเป็นประพฤติงามนะสามีจิเพราะนั้นคุณสมบัติของสาวกเนี่ยคือมีหน้าที่แค่นี้ มีสุปฏิปันโนโอุชุยาญาสามิจิแค่4ี่อยเจ้าไม่ได้บอกว่ า, าให้ไปบอกใครสอนใครอันนั้นมันเป็นหน้าที่ของพระเจ้านะคือสัตถาเทวมนุษย์สานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันนั้นเป็นหน้าที่ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นในหน้าที่ของสาวกก็มีแค่ว่าปฏิบัติดีปฏิวัติตรง g ปฏิบัติชอบปฏิบัตเพืความรู้แจ้งของเราอันเนี้ย ไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับใครเลยนะพูดง่ายนะแต่ทีนี้ถ้าเราต้องยุ่งเกี่ยวแล้วก็ยุ่งเกี่ยวพอประมาณแต่หน้าที่หลักๆของเราเนี่ยคือประบีประดโงปฏะวัติชอบประดับให้ให้รู้แจ้งขึ้นมาส่วนเราจะไปบอกใครอะไรของใครในเะมื่อให้วางใจเรื่องของเขาไปเลยเจ้าค่ะห ย, ยมยมไปปฏิบททัติธรรมแล้วก็รู้สึกว่า เป็นสิ่งที่ดี อ, อยากจะให้เพื่อนเพื่ อ, อพ่อแม่เราได้ไปบ้างนะคะแล้วก็หลังๆมานี้ก็ก็คือจะไ อ, อความรู้สึกแบบนั้นมันหายไปแล้วคือคือบอกให้เขาทำดีหรือชักชวนคนไปทำดีแล้วเขาไม่ทำเราเราทุกเจ้าคะ่ะแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็คือ พระพุทธเจ้าก็สอนให้เรามีเมตตาคือเราก็ถือว่าเราได้เมตตาแล้วก็คือเราบอกสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่เราไปทํามาแล้วเราเราเห็นว่าดีแล้วก็เป็นสิ่งที่คนอื่นน่าจะได้รู้ก็ก็ได้บอกก็ถือว่าเราเมตตาแล้วแต่ว่าเราไม่ทุกข์เพราะว่าเขาจะทําหรือไม่ทำนั่นก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรของเราแม้แต่พระพุทธเจ้าเองนะก็ยังมีมีพรามมาถามเลยว่าในศาสนาของพระองค์เนี่ยทุกคนเนี่ย สามารถที่จะไปถึงพระนิพพานได้ไหมพระเจ้าก็ยังบอกเองว่ามีส่วนน้อยที่ไปถึงพระนิพพานได้แล้วก็พราหมณ์ก็เลยสงสัยเอา้พาพระธถรมคตก็มีอยู่คําสอนก็มีอยู่ผู้บอกผู้สอนนี่ก็มีอยู่แล้วทําไมมันถึงไปไม่ได้หมดละ่ะอ่านะพระเจ้าก็เลยเปรียบเทียบให้ว่าเอาเธอเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางไปเมืองราชครือใช่ไหมล่ะอ่าแล้วเธอก็บอกอ่าทางแก่ผู้ที่มาถามเนี่ย แล้วเขาเนี่ยจะสามารถไปถึงเมืองราชฤกษ์ได้ทั้งทุกคนไหมก็ก็ตอบอย่างนันไม่ได้บางคนก็ไปถึงบางคนก็ไปไม่ถึงเออทีนี้พระเจ้าก็ว่กาก็เหมือนกันแหะเราก็เหมือนกันเราก็เป็นแค่ผู้ที่บอกทางไปถึงพระนิพพานเหมือนกันส่วนใครจะไปถูกต้องทําดีแล้วมันถูกต้องถูกตรงมากๆแล้วก็เดินไปจนถึงสุดปลายทางได้ก็คือไปถึงพระนิพพานได้แต่ถ้าเกิดใครปฏิบัติ ไปแล้วแล้วมันออกนอกลู่นอกทางมันก็ไปไม่ถึงพระนิพพานเหมือนกันบางคนเนี่ยฟังแล้วรู้ทางแล้วแต่ก็ไม่เดินก็มีไม่ไปทางอื่นก็มีเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่ามันขึ้นอยู่กับเขาอะมันไม่ขึ้นอยู่กับคือเราทําหน้าที่ของคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็รู้เห็นอะไรดีๆก็ไปบอกเขาอันนี้ก็คือจบแล้วละ่ะหน้าที่ของเราแต่หน้าที่ของเขา เขาจะทำดีเขาจะทำไม่ดีเขาจะไปได้ดีอย่างที่เราคิดไหมเนี่ยอันนี้เร า, าไม่น่าจะเอามาเป็นเครื่องกังวลในใจไม่น่าจะเอามาเป็นเครื่องที่ทำให้ใจเราเนี่ยอ่าโดนโดนผลของตรงนี้มาเสียดแทงใน ใ, นใจเราได้พดง่ายคืออย่างลูกเนี่ยแน่นอนกับพ่อแม่เนี่ยนะก็ที่คุยฝังว่าลูกเนี่ยพอที่จะตอบแทนพ่อแม่ได้เนี่ยก็คือทำให้พ่อแม่ที่ไม่มีศรัทธามีศรัทธาได้ ทำพ่อแม่ที่ไม่เคยมีการบริจาคคือจากาเนี่ยให้มีให้มีได้ไม่เคยมีปัญญาก็ให้มามีปัญญาได้ไม่เคยรักษาศีลให้มารักษาศีลได้ต้นเงนี้นะแต่ทีนี้ถ้าเกิดพ่อแม่เขาไม่ทาละ่ะเขาไม่ปฏิบัติตามละ่ะสุดท้ายเราก็ต้องวางอ่ะมันได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเพียงแต่ว่าไม่ใช่วางแล้ววางเลยนะคือวางในใจเราให้ใจเราไม่โดนเสียดแทงนะ คือมันจะไปจบอยู่ตรงที่ว่าใจเราไม่โดนเสียดแทงเนี่ยใจเราไม่มีทุกเกิดขึ้นเนี่ยอันนั้นน่ถูกต้องแล้วเหตุภายนอกแล้วก็ทำไปมันวันนี้มันก็จบอยู่ของวันนี้พรุ่งนี้เหตุปัจจัยอะไรมันก็อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้แล้วก็ทำตามเหตุปัจจัยอันใหม่ที่มันพอจะทำพอจะทาได้พอจะอาหาอะไรใหม่ๆมาเป็นเหตุปัจจัยใหม่ใหําทำให้เขาอาจจะ เดินตรงทางมากขึ้นเดินถูกทางมากขึ้นมีความเข้าใจมากขึ้นอันนั้นเราก็ทําไปแต่ไม่ใช่ว่าหยุดแล้วหยุดเลยนะหมายความว่าหยุดเนี่ยไม่ใช่หยุดมือหยุดมา้าหยุดอะไรหยุดที่ใจเราไม่ให้ใจเรามันต่อเติมความทุกข์ขอกมาไม่ให้สิ่งที่เรากําลังคิดนั้นนะ่ยมาเสียดแทงในใจเราได้อันนี้คือสิ่งที่เราควรทําแต่สิ่งที่เราควรทําภายนอกก็คือเหตุปัจจัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ทําไปเหตุ ป, ปัจจัยอันดีๆเราก็ทําไป ไม่งั้นเราก็จะไม่ขึ้นชื่อว่าเราเป็นกระยะาณาภิรมิรของใครเจ้าคะ่ะการการปฏิบัติธรรมเนี่ยทำให้อา่าเอาตัวโยมเป็นที่ตั้งแล้วกันนะเจ้าก็คือหมายหมายถึงว่าตัวเองเนี่ยก็รู้สึกว่ามีการพัฒนาใจจากการปฏิบัติธรร ม, มจากการฟังธรร ม, มจากการอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ก็ตามก็คิดว่าการที่เรารู้ทันจิตใจของตัวเองเ มากขึ้นเราก็ทําให้มีทุกข์น้อยลงเพราะว่าในในชีวิตประจําวันเนี่ยก็ต้องเจอสิ่งกระทบมากมายมจากคนรอบข้างจากเพื่อนที่ทํางานจากคนที่บ้านหรืออะไรก็ตามแต่ว่าจริงๆก็โกรธนะเจ้าคะ่ะก็มีความโกรธนะ ม, มันก็จีดนะแต่ว่าแต่เราจะเย็นลงไปเมื่อไรก็ไม่ทราบก็บอกว่ากองไฟเนี่ยมันมันมี แต่กองมันไม่ใหญ่เท่าเดิมนั่นแหะสิเจ้าค่ะใช่ไหมใช่เพราะว่าอย่างอย่างอย่างเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่อะไรมากระทบเนี่ยเราจะแบบบางทีก็ข้ามวันข้าคืนบางทีก็หลายวันรหรื อ, อไม่ก็แบบว่ากระแทกกลับไปทันทีเลยนะ อ, อย่างรวดเร็วแต่ว่าความโกรธมันน้อยลงแล้วก็แล้วก็ใจมันเย็นลงเจ้าคะ่ะก็เลยไม่กระทบกลายเป็นนิ่งเฉย แล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆหายไปเองถ้าเรามาดูลมใช่พูดง่ายคือถ้าใจเราเนี่ยอยู่กับลมได้เรามีสติอยู่ตลอดตลอดคอยคุ้มครองใจเราได้เนี่ยโอ้ยกระบวนการของการที่เราจะมีทุกเนี่ยน้อยลงเนี่ยมันเดินไปได้เลยมีแค่สติเป็นตัวนำตัวเดียวนะแล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรมากหรอกเน้เนๆหลักๆ ก, ก็คือมีสตินี่แหละ มีสติที่คุ้มครองใจเราอยู่นี่แหละตัวนี้แหละสำคัญที่สุดเลยเพราะนั้นท่านจึงเน้นมากๆเลยว่ า, าเธอทำอะไรก็ขอให้มีสตินะเธอทาอะไรก็ให้มีสติอยู่เรื่อยๆหัดสติให้มันเข้มแข็งขึ้นหัดให้สติมีกำลังมากขึ้นนะนี่แหละเพราะนั้นสติเนี่ยจึงเป็นธรรมที่มีอุปการะมากๆเลยอะไรๆก็เจริญได้ ธรรมะทั้งหลายจะเจริญได้ก็เจริญมาจากการที่เรามีสตินี่แหละถ้าเราไม่มีสตินะธรรมะอะไรต่างๆ่างเยก็เจริญได้ไม่ดีเหมือนแผ่นดินที่มันแห้งผากไม่มีปุ๋ยไม่มีสารอาหารเนี่ยต้นไม้มันก็เจริญงอกงามยากดัง น, นี้นะเพราะฉะนั้นการที่เรามีสติที่ดีคอยระลึกในสิ่งที่มันถูกต้องอย่างที่ผู้เจ้าว่าไว้ก็คื อ, อมี สติในกายเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นต้นอันนี้เนะี่ยก็ทําให้เป็นเครื่องคุ้มครองจิตให้ใจได้มีที่อยู่ที่มันถูกต้องไม่ทําให้เกิดความรุ่มร้อนในใจและเวลาใจเรามาอยู่ตรงนี้ก็ได้พิจารณาได้เห็นตามความเป็นจริงด้วยอีกต่างหากแล้วก็แต่อยากจะบอกท่านฝั่งอีกสักนิดหนึ่งก็คือว่าสติตัวหนึ่งสมาธิตัวหนึ่งนะเล่าตัวกันนะค่ะสติคือความระลึกรู้นะ สมาธิคือความตั้งมั่นของใจบางคนคิดว่าสติสมาธิมันอันเดียวกันนะถ้าจะมองให้มันเหมือนกันก็คือเรามองภาพรวมจริงๆแล้วมันก็คนละตัวแล้วเราปฏิบัติกันมันก็คนละตัวนะอย่างเช่นเวลาเราใจฟุ้งซ่านเรามีสติก็มีได้นะมีสติอยู่เหมือนกัว่าโอใจเราเนี่ยมันอารมณ์นั้นอารมณ์นี้กลุ่มลุมอยู่แต่เราก็มีสติเห็นอยู่ ่รู้ว่ามันมีหลายอารมณ์อย่างเงี้ยใช่รู้ว่าตอนนี้เรากําลังทุกข์อยู่หรือไม่ก็รู้ว่าใจเราเนี่ยกําลังไปคล้องแวะเรื่องไหนอยู่ที่มันเป็ น, ปนฟืนเป็นไฟในใจเราอันนี้สามารถสติมันเกิดขึ้นแล้วนะแต่เพียงแต่ว่าถ้าเรามีสติอยู่ในที่ที่มันดีอย่างเช่นมีสติเริ่มแนวมันเผลอไปคิดถึงเรื่องที่มันคล้องแวะอยู่แล้วก็ดึงกลับมาที่ลมหายใจเราได้เนี่ยอยู่บ่อยอยู่นานๆเข้าเนี่ย ใจเรามันจึงกลายเป็นสมาธิเกิดขึ้นใจเราจึงลดความเร่าร้อนรุ่มร้อนลงไปเพราะเป็นสมาธิน ะ, ะแต่ต้องมาจากสติก่อนเจ้าค่ ะ, ะเพราะฉะนั้นสติจึงมีคุณอุปการมากของการทำสมาธิเหมือนกันเพรา ะ, ะนั้นขอให้ทุกคนมาฝึกสติน่แหละจริงๆต้องเรียกว่าฝึกสตินะพอฝึกสติอยู่ที่เดียวนานๆใจกินอารมณ์เดียวนานๆใจจึงตั้งมัน่นจึงเป็นสมาธิค่ะ ว่าแล้วก็อยากจะบอกอีกอยากจะบอกถึงท่านผู้ฟังนะคะว่าเมื่อเมื่อเมื่อตัวเราระลึกถึงการปฏิบัติธรรมแล้วก็รู้ว่าปฏิบัติไปในทางที่ถูกต้องแล้วใจเรามีความสุขมากขึ้นอย่างไรก็ยังอยากจะบอกท่านผู้ฟังว่าก็เชิญชวนให้ท่านผู้ฟังนะคะเริ่มที่จะปฏิบัติธรรมง่ายๆในชีวิตประจำวันกับการ มีสติอยู่กับลมหายใจใ<ช>ก็จะทำให้เราทำเรื่องราวต่างๆดำเนินเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันได้อย่าง สุขุมรอบครอบมากขึ้นแล้วก็มีความสุขมีทุกข์ในใจน้อยลงบอกไปแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าท่านผู้ฟังจะไม่ทําตามาดิ<ห>มดฉันก็ยังมาจัดราายการอยู่ก็ยังไม่รู้สึกทุกข์ใจนะนะันะจา ร, จร์พาจยาเพราะว่าก็ยังจะมีรายการต่อไปถ้าเกิดว่าใครมีคำถามนะคะก็โพสต์มาได้ที่ easy ธรรม m e ตัวใหญ่ e a s y d h a m m a easy t h เป็นคาที่ติดกันนะแล้วก็จะเจอช่องทางนี้นะคะเชื่อว่า เสียงอ่านของพระอาจารย์สุชาติก็ดีในหลายๆเรื่องราวอย่างเรื่องของพันเอกปีนหรือว่าเรื่องนรกของสมเด็จพระสังฆราชใช่น่าฟังมากๆยมเชื่อว่าถ้าสมมุติว่าคนฟังที่ฟังอาจจะไม่ไม่รู้ว่านรกเป็นยังไงก็ลองฟังดูแล้วถ้าเกิดว่าคนไม่อยากทําดีมาฟังเรื่องนรกนี่อาจจะเลิกทําไม่ดีลงไมได้ น, นจะแล้วก็เดี๋ยวก็จะทําให้มีกําลังใจเพิ่มขึ้นอีกโดยที่ว่าเจ้พระนิพนธ์ของสมเด็จท่านเนี่ยเรื่องสวรรค์เนี่ย มาอ่านด้วยมินนรกแล้วนี่ไม่รู้จักสวรรค์นี่มันก็จะดูขาดขาดวินๆินนะพอดีว่าเพิ่งได้หนังสือที่เขาพิมพ์มาล็อใหม่ก็เลยว่าเอได้มีโอกาสแล้วแต่ก็จะเอามาสำหรับ<ห>คนที่ไม่อยากอ่านหรือคนที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงหนังสือที่ท่านแจกเนี่ยก็จะได้มีโอกาสที่จ ะ, ะมาได้รับรู้เรื่องราวที่ท่านพนิพจ์เอาไว้ ก็ท่านก็เป็นนักปราชององหนึ่งเลยที่ใช้ภาษาได้ค่อนข้างรัดกุมแล้วก็กระทัดรัดแล้วก็ได้ใจความดีแล้วก็สำคัญก็คือท่านก็ศึกษาพระไตรปิฎกมาอย่างดีเอามาเรียบเรียงรวบรวมแล้วก็ทำให้ให้เราเนี่ยไม่ต้องไปอ่านพระไตรปิฎกซึ่งบางทีเราก็อ๋อมันอยู่ตรงไหนนะแล้วเราจะไปหายังไงอะไรยังไงซึ่งท่านรวบรวมเรียบเรียงเอาไว้ให้แล้วเนี่ยก็ทาให้เราเนี่ย ง่ายกับการที่เราจะมาศึกษาธรรมะในในในส่วนที่ท่านทําให้แล้วก็มาย่อยให้ด้วยอ่าก็เดี๋ยวจะลองเอามาอ่านแล้วก็ให้ท่านฟังเนี่ยได้รับฟังกันในไม่ชานี้ได้ค่ะติดตามได้ในโอกาสต่อไปนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการธรรมะสบายสบายแล้วนะคะนมัสการพระอาจารย์สุชาติแล้วก็ลาท่านผู้ฟังไปพร้อมกันตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะเชิญพร